มียังติลกนัคขานไดโยผนามาเส สติเมื่อไรบู้คลเด่นด้วยปัญญาว่าสังขารตังต้งควรเป็นตัว ปัญญาญาปัสสต มันนิตังเป็นมันที่ ข้าตอบระอิพานอ่านเป็นที่สน่าถึงสัยินดี